บันี้จกแสดงธรรมเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปปัจจัยแห่งนามรูปที่ได้กล่าวมาแล้วข้อแรกคือเรื่องของอวิชชานั้นทางศาสนาถือว่าเป็นมูลรากของกิเลสทั้งมวลเพราะจิตใจของบุคคลทั้งหลายมีอวิชชาอยู่ภายใน ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏและประพฤติกระทำอะไรไปตามอำนาจของอวิชาเป็นนั้นมากอวิชาซึ่งเป็นปัจจัยทั้งนามและรูปจึงเป็นธรรมะที่ทรงสอนให้บุคคลพยายามละไปโดยส่วนเดียวปัจจัยแห่งรูปและแห่งนามประการที่สองนั้นคือตัณหาซึ่งทางศาสนาแสดงว่า เป็นมูลในปัจจุบันโดยท่านได้ชี้หลักเอาไว้ในปฏิจจสมุปบาทว่าอวิชชาเป็นมูลในอดีตคือเป็นรากเหง้าของบาปของอกุศลในอดีตแต่เพราะจิตที่ยังมีอวิชชาอยู่เมื่อบุคคลเห็นรูปด้วยตาเป็นต้นจึงเกิดความกำหนัดความพอใจความรุ่มหลงความมวบเมาในอารมณ์หล่านั้นทุกครั้งที่เกิดความรู้สึกเช่นนั้นขึ้น ก็เพราะเชื้อตันหาขึ้นภายในใจเสริมต่อจากเชื้อที่เคยมีอยู่แล้วดังที่เคยอุปมาให้ฟังว่าถ้าหากภายในจิตใจของบุคคลไม่มีเชื้อกิเลสหรือเชื้อตันหาอยู่ภายในแล้วแม้ว่าอารมณ์ที่ประนีตอย่างไรจะมามากระทบใจกิเลสสายโลภะก็ไม่บังเกิดขึ้นอารมณ์ที่รุนแรงอย่างไรปรากฏกิเลสสายโทสะก็ไม่บังเกิดขึ้น อารมณ์ที่ก่อให้เกิดความรุ่มหลง ม, มัวเมาพิจิตวิส a านอย่างไรก็ตามมันเกิดขึ้นก็ไม่ทําให้กิเลสสายโมหะเพิ่มขึ้นทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อภายในจิตนั้นไม่มีเหมือนกับมแมลงวันหยอดไข่ในหินหรือในไม้เนื่องจากหินและไม้นั้นไม่มีเชื้อเน่าอยู่ภายในไข่ก็ไม่อาจที่จะแพร่เชื้อได้แต่จิตใจของปุถุชนเหล่านั้นมีวิชาอยู่ภายในจิตใจ แล่มีเชื้อตันหาอุปาทานมามากบ้างน้อยบ้างตามกำลับบงอาสวะและบารมีของบุคคลเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อประสบกับอารมณ์ภายนอกก็เพิ่มตันหาให้สูงขึ้นภายในจิตใจจากเชื้อที่ยังมีอยู่แล้วแต่ผู้ปฏิบัติจะสังเกตได้ว่าวัตถุที่มาจากภายนอกนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลึกภะก็ตามหากว่าใจของบุคคลไม่มีเชื้อ ความพอใจหรือไม่พอใจอยู่ก่อนแล้วการประสบกับอารมณ์เหล่านั้นในครา ว, ราวแรกจะไม่เกิดเป็นรูปของตัณหาขึ้นมานอกจากว่าในโอกาสต่อไปอารมณ์นั้นเองบุคคลได้รู้ถึงคุณค่าความดีความพิเศษของอารมณ์นั้นเมื่อพบกันในคราวต่อไปเนื่องจากได้รับเชื้อคุณค่าของอารมณ์เอานั้นอารมณ์เหล่านั้นไปแล้วตัณหาก็จะบังเกิดขึ้น ในอารมณ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ารูปลักษณะของตัณหาที่เกิดขึ้นจึงมีอยู่หลักษณะด้วยกันคือรูปตัณหาตัณหาในสิ่งที่เป็นรูปสัทธตัณหาตัณหาในเสียงกาณะตัณหาตัณหาในกลิ่นรสตัณหาตัณหาในรสโผฏฐะตัณหาตัณหาในสิ่งที่บุคคลพึงจับต้องด้วยกายได้แก่เย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นต้นและธรรมะตัณหาคือตัณหาในอารมณ์ทั้งหลาย ที่บุคคลไปเก็บไว้ภายในใจแล้วก็นำมาจึกนึกด้วยอำนาจความใคร่ความยินดีในอารมณ์เหล่านั้นลักษณะของตัณหาจึงเป็นกิเลสประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจรุนแรงบังคับใจให้ดิ้นกระวนกระวายซัดสายไปจนถึงกัตเยียร์ทยานจากในอารมณ์ต่งตางๆอาการของจิตที่ประกอบด้วยตัณหานั้นเนื่องจากมีความเข้มข้นแตกต่างกันออกไป บางครั้งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตัดเรียกอาการเหล่านั้นว่าเป็นตัณหาแต่ก็เรียกลดลันลงมาตามความเข้มข้นของอารมณ์เหล่านั้นเช่นว่าการมาฉันทะความพอใจรักใคร่ในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสนั้นเองแต่ไม่ถึงกับทาให้จิต ด, ดิ้นทายไปในอารมณ์เหล่านั้นหรือบางครั้งก็เรียกว่ารติความยินดีนันทิ ความเพลิดเพลินเป็นต้นแท้จริงแล้วก็เป็นอาการของตัณหาอย่างอ่อนๆลงมาท้งนั้นแต่เป็นอาการของความเพลินความยินดีความเพลินและความยินดีนั้นบางครั้งมีแม้ในอารมณ์ที่ประณีตเช่นความเพลินความติดในปีติความเพลินความติดในความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติสมาธิเนื่องจากความเข้มข้นไม่สูงเกินไปท่านจึงไม่เรียกว่าเป็นตัณหา และเมื่อความเข้มข้นของความรู้สึกเหล่านั้นมากขึ้นทาจิตให้เกิดรู้สึกอยากได้ยินดีต้องการในอารมณ์เหล่านั้นอาการเหล่านี้ก็เข้ามาใกล้ตันหาขึ้นไปทรงชายคาว่าชับป่าแปลว่าตันหาผู้กระซิบใจข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมพึงสังเกตว่าอารมณ์เหล่าใดก็ตามที่ใจไปกำหนดเอาไว้ว่าหน้าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจนั้น ถ้าหากว่ากำหนดเพียงคราวแรกใจไม่นํามากระซิบหรือนํามาดําริอีกต่อไปอารมณ์เหล่านั้นจะไม่มีอิทธิพลอะไรต่อจิตใจของบุคคลมากนะักแต่การที่ความรู้สึกอยากได้พอใจปรารถนามีความรุนแรงสูงขึ้นภายในจิตก็เพราะว่าจิตไปเหนี่ยวอ า, อารมณ์เหล่านั้นมาตรึกนึกที่เรียกว่าวิตกบ้างมาดําริถึงเรียกว่าสังกปะบ้างและอารมณ์เหล่านั้นเมื่อมีกําลังมากเข้า ก็จะทำหน้าที่กระซิบใจบอกว่ารูปนั้นสวยนะเสียงนั้นไพเราะนะกลิ่นนั้นหอมนาะรสนั้นอร่อยนะสัมผัสนั้นน่าจะต้องนะมันกระซิบอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่กระซิบนั้นบุคคลจะสังเกตเห็นว่าความเร่าร้อนภายในใจก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นโดยลำดับพอถึงจุดหนึ่งไม่ได้ทาหน้าที่เพียงกระสิบเฉยๆแต่ก็จะสายไปในอารมณ์เหล่านั้น ที่ใจใคร่ที่ใจปรารถนาะที่เราต้องการคนนี้พึงดูตัวอย่างอาการสายไปของจิตเวลาถูกกระซิให้ไปซื้อหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใจไปยอมรับคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นไว้เมื่อไปถึงพอเห็นวัตถุเหล่านั้นเนื่องจากความต้องการนั้นสูงขึ้นตานหาก็เข้าบังคับใจจนสายไปในอารมณ์เหล่านั้น อาการสายของจิตยังไม่หยุดอยู่ในอารมณ์ใดก็จะสายอยู่ด้วยไปแม้จะซื้อผ้าสักชิ้นหนึ่งก็จะดูอยู่อย่างนั้นเองถ้ายังไม่ตกลงใจไม่ตัดสินใจว่าสิ่งนี้เราพอใจแล้วอาการสายไปของจิตบางครั้งบางคราวทำให้คนสูญเสียเวลาไปในการดึกดูของในตลาดเพียง<ม>เพราะจะซื้อของเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นก็จะใช้เวลาเป็นช่วชั่วโมง ถ้าหา ว, วิเคราะห์ลงไปถึงส่วนลึกของใจว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมยอมสูญเสียเวลามากมายเช่นนั้นแล้วก็จะตอบได้ว่าเพราะตัญหากระซิบใจแรงมากแล้วก็ทําให้สายจนเกินไปเมื่อสายมากก็ไปกําหนดไอ้นั่นก็ดีไอ้นั่นก็ดีไอ้นนท์ก็ดีเมื่อสายอยู่อย่างนี้จิตก็ไม่หยุดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นการตัดสินเลือกการตัดสินยอมรับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นของของตนก็จะไม่บังเกิดขึ้น ทีนี้พอดิ้นรนมากเข้าท่านก็นเรียกว่าตัณหาคืออาการของจิตที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากในอารมณ์ต่างๆซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงแล้วเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในใจแต่เมื่อคุมไว้ไม่อยู่ก็บังคับจิตให้ดิ้นบังคับประสาทสัมผัสในส่วนนั้นให้สายไปเช่นว่าเกิดกำนัดยินดีในกลิ่นก็จะสายไปในกลิ่นเหล่านั้นเลือกกลิ่นเหล่านั้นอยู่ร่ำไป อาการของตันหาที่ปรากฏขึ้นแก่จิตใจของบุคคลพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงลักษณะให้บุคคลสังเกตจิตเอาไว้ว่าจะมีลักษณะเป็นโปโนภวิกาคือก่อให้เกิดพบหรือความมีความเป็นอยู่เรื่อยไปความมีความเป็นที่เกิดกำหนดหมายขึ้นภายในใจนั้นอาจจะเริ่มจากจุด เ, ดเล็กๆถึงจุดใดจุดหนึ่งก่อนเมื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้ว ต่อไปความอยากมีอยากได้ในสิ่งต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นจากจุดนั้นและต่อไปก็ไปเริ่มที่อารมณ์อื่นเรื่อยไปลักษณะของจิตที่สายไปโดยแนวนี้ท่านอุปมาเหมือนวานอนที่วิ่งไปบนต้นไม้จับกิ่งนี้วางกิ่งโน้นค้ากิ่งนั้นดู่เรื่อยไปไม่มีสงบหยุด ใ, ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรืออุปมาเหมือนกับสิ่งของที่มีลักษณะกลมๆไปวางไว้ในที่ลืน่นๆมันก็กลิ้งอยู่เรื่อยไป ใจที่สายไปในอารมณ์หอารมณ์ต่างๆก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อก่อให้เกิดความมีความเป็นขึ้นมาจนถึงก่อให้เกิดเป็นพบเป็นชาติในสังสารวัฏอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าตันหาชเนติปุริสังตันหายังคนให้เกิดขึ้นเพราะจ่าใดที่ยังมีตันหาอยู่เหมือนกับมเมล็ดพืชที่ยังมียางเหนียวอยู่ไปได้อุณหภูมิที่เหมาะสมข้าวก็จะแตกต่อ ออกเป็นพืชพันธุ์เจริญเติบโตสืบพืชสืบ พ, พันธุ์กันเรื่อยไปเท่านานแสนนานจิตใจของบุคคลที่ประกอบด้วยตัณหาก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่นั้นการปฏิบัติธรรมะในรูุ้ทธศาสนาส่วนมากแล้วจึงเน้นไปที่ตัณหามากกว่าที่อวิชชาเพราะอะไรเพราะว่าตัวอวิชชานั้นดูกันได้ยากกว่าดูตัณหาดูตัณหาเห็นได้ชัดเพราะบังคับจิตให้ทายให้เร่าร้อนให้กระวนกระวายไปด้วยแรงของตัณหาเหล่านั้น แม้ในสมุทัยศัสตร์เองพระพุทธเจ้าก็ทรงชี้ผลตัวเหตุแห่งความทุกข์ว่าอยู่ที่ตัณหาซึ่งแท้ที่จริงแล้วก็เป็นทั้งอวิชาทั้งตัณหาทั้งอุปาทานและกิเลสที่มีชื่ออย่างอื่นแต่กิเลสบางชนิดดูได้ยากนอกจากพวกนิวรณ์พวกตัณหาเราดูกันได้ง่ายเพียงคิดพิจารณานิดหน่อยก็เห็นได้ว่านี่มันเป็นตัณหานี่มันเป็นตัณหาที่กระสิบใจนี่มันเป็นตัณหาที่บังคับจิตให้สั้นไปในอารมณ์ต่างๆ เมื่อเกิดตัณหาขึ้นมาในลักษณะนั้นก็ทรงแสดงว่านันดิราสะเกตาจิตจะสารคตคือผูกพันเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นอาการเพลินของจิตในอารมณ์ต่างๆให้สังเกตว่ามันมีลักษณะหมุนขึ้นมาเป็นวงกลมแล้วก็หมุนอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าบุคคลไปอยากได้วัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเมื่ออยากได้แล้ว ก็เก็บเชื้อความพอใจในวัตถุสิ่งนั้นไว้ภายในจิตซึ่งบาลีใช้คาว่ากามธาตุคือเชื้อความใคร่ความยินดีในอารมณ์เหล่านั้นต่อแต่นั้นใจก็จะไปจำหมายว่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะเป็นต้นเมื่อจำหมายไาาว้มากข้าวมากข้าวใจก็จะเหนียวเอาอารมณ์เหล่านั้นมาคิดถึงที่เรียกว่าสังกับปะในกรณีนี้เราเรียกว่าสังกามสังกับปะคือดาริไปด้วยอนานาจของความใคร่ ดำริมากข้าวมากข้าวก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นกามฉันทะคือความพอใจด้วยอำนาจความใคร่หรือในอารมณ์ที่น่าใคร่ก็พอใจมากข้าวมากข้าวจิตก็ร้อนเรียกว่ากามปริลาหะคือความ ร, าร่าเรปรากฏขึ้นภายในจิตต่อไปก็จะสายดังที่กล่าบมาแล้วออกมาในรูปของการแสวงหาเพื่อสนองตอบความต้องการของตนพอจบกระบวนการแสวงหาได้มาสิ่งเหล่านั้น ก็จะมีการยึดการติดว่าเป็นของเรามีการนธนุถนอมมีการป้องกันมีการราาักษาถ้าใครมาละเมิดในสิ่งที่ตัวไปกําหนดไว้อย่างนั้นก็จะมีการต่อสู้ป้องกันการประหารประหารการก็บังเกิดขึ้นตานหาก็เพาะเชื้อขึ้นใหม่แล้วก็หมุนกลับเข้าไปในกระบวนเดิมอีกลักษณะของความเกิดและความเปลี่ยนแปลงแห่งกิเลส ท, ทั้งหลายที่ปรากฏภายในจิตจึงมีลักษณะเป็นวงกลมคือเป็นวัตจักรเหมือนกันมันหมุนของมันอยู่อย่างนี้ ก็ น, นี้เพิ่งเห็นได้ว่าวัตถุบางอย่างนั้นเราอยากได้กันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยปัจจุบันก็ยังอยากได้อยู่ความพอใจก็สูงขึ้นมีประณีิเรื่อยขึ้นไปมีการตกแตง่งมีการประดิษฐ์ประดอยในสิ่งเหล่านั้นให้สูงขึ้นซึ่งเป็นการเชื่อเห็นถึงอาการเพิ่มขึ้นของตัณหาภายในจิตของบุคคลเหล่านั้นแล้วทุกครั้งที่กําหนดอยากได้ยินดีก็ดีได้มาแล้วก็ดีเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็ดีจิตก็จะกลายเป็น ตรต ต, ต, ตราพินันดิดมีคือเพลิดเพลินยิ่งขึ้นในอารมณ์เหล่านั้นลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยตัณหาจึงทรงสแสดงเอาไว้เป็นสมแนวด้วยกันได้โปรดเข้าใจว่าตัณหาทั้งสที่ได้ทราบกันอยู่แล้วนั้นอาจจะเกิดในอารมณ์เดียวกันก็ได้ยกตัวอย่างในวัตถุในสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อบุคคลอยากได้วัตถุสิ่งนั้นมาก็กลายเป็นกามาตัณหาในวัตถุเหล่านั้นเมื่อได้มาแล้ว ก็ถือว่าตัวเป็นเจ้าของสิ่งนั้นก็กลายเป็นภวะตันหาไปและในขณะเดียวกันมีการยึดถือสิ่งนั้นหวงแขนสิ่งนั้นต้องการครอบครองสิ่งนั้นคล้ายๆกับว่าตัวเองจะอยู่ครอบครองวัตถุนั้นอยู่จนตราบเท่านานแสนนานแม้ว่าร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปจำรดสุโูมไปความตายจะใกล้เข้ามาทุกขณะก็ตามแต่เพราะตันหาที่ปิดบงังปัญญาเอาไว้ ไม่ให้บุคคลยอมรับความจริงในกรณีนี้ดังนั้นแม้ว่าอายุของบุคคลมากแล้วบางครั้งอยู่ในเตียงซึ่งจะตายไม่ตายแลด้วยซ้าไปแต่การ ข, าขว่คว้าของจิตก็ยังเกิดขึ้นเป็นห่วงเป็นใยทรัพย์สมบัติเรื่องสวนไรนาที่ดินเงินในธนาคารเป็นต้นแทนที่ใจจะสงบก็สงบไม่ได้อย่างที่ท่านเล่าถึงบุคคลผู้หนึ่งก่อนจะตายใจยังห่วงใยในเรื่องเหล่านั้นอยู่ ลูกหลานก็พยายามบอกว่ายายรำลึกถึงพระอรหันต์นายายให้ภาวนาว่าอรหังเ อ, อาไว้อรหังเอาไว้แต่อาศัยตันหาบังครอบงาใจมากเกินไปยายภาวนาไม่ได้มาฟังอรหังเป็นอะไรหายทุกทีถามหลานคนนั้นอะไรหายนาะถามหลานคนนี้อะไรหายนาะนี่คือความควงใหญ่ความผูกพันอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นก็ด้วยอํานาจภาวะตันหาคือถือว่าเราเป็นเจ้าของในสิ่งเหล่านั้น แล้ววัตถุบางอย่างที่บุคคลไปถือครองไว้แล้วเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายไม่พอใจอาการของจิตก็เปลี่ยนไปเป็นวิภวตานหาต้องการจะให้สิ่งเหล่านั้นทาลายและขาดสูญไปจนถึงกับบางครั้งบางคราวก็เบื่อหน่ายในฐานะความเป็นอยู่แห่งตนต้องการที่จะให้ขาดสูญไปเลยดังนั้นในส่วนลึกลงไปตัวการที่ให้เกิดตันหาเหล่านั้น จึงอยู่ที่ความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายว่าเป็นเพียงกระบวนการธรรมชาติเท่านั้นซึ่งภาษาธรรมเรียกว่าสุทธธรรมะปะวัตตันติคือกลุ่มข้องธรรมล้วนๆมันหมุนไปข้องมันอย่างนั้นสิ่งทั้งหมดนั้นแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยทั้งหมดตัณหาที่กระสิบใจของบุคคลกอให้เกิดความกระสันอยากในอารมณ์ต่งตางๆก็คืออารมณ์ทั้ง6ดังที่กล่าวแล้วนั่นเอง เมื่ออยากได้ไปอย่างนั้นก็อยากได้ไปเรื่อยๆโอกาสที่จะเต็มหรือจะอิ่มหรือจะพอหรือมีไม่ได้เพราะสภาพจิตของปุถุชนที่ยังมีกิเลสอยู่นั้นพระพุทธศาสนาแสดงว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหานี่คือพื้นจิตที่เป็นโลกิยะของบุคคลทั้งหลายการเพียรพยายามตอบสนองความต้องการของตนบุคคลจึงไม่หาคําตอบ ไม่อาจหาคำตอบได้ว่าเมื่อไรจะเต็มเมื่อไหรจะพอเมื่อไรจะอิ่มเพราะใจมันพร่องเป็นลักษณะเหมือนตุ่มทะลุคือถมกันไม่รู้จักเต็มหรือใส่น้ําเท่าไหร่ก็ไม่เต็มฉะนั้นนี่ก็คือตัณหาในอารมณ์ต่างๆแม้แต่ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะของจิตประการหนึ่งเอาไว้ทรงใช้คําคว่าเมถุนันสังโยคคือจิตที่ประกอบด้วยเมถุน หมายความว่าประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติปฏิบัติความดีจริงแต่วันในขณะเดียวกันก็ยังไขว่คว้าผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากการกระทำดีของตนเช่นผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาประพฤติพรหมจรรย์แล้วต้องการจะเกิดเป็นเทพปบุตรต้องการจะเกิดเป็นพรหมก็แสดงว่ายังมีภวะตันหาภวะตันหาเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวนําให้สายไปสู่พบคือความมีความเป็นเหล่านั้นแต่ว่ายังไงก็ตาม ตันหาในชั้นหนึ่งนั้นสำหรับบุคคลผู้ดำรงชีวิตแล้วท่านแสดงว่าตันหังนิสายะตันหาปหาตป่าบุคคลสามารถอาศัยตันหาเพื่อละตันหาได้ตันหาในอารมณ์ต่างๆที่มีความประนีตยิ่งขึ้นไปนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อบุคคลอาศัยส่วนหนึ่งแล้วเพื่อเมื่อไปถึงส่วนหนึ่งก็ต้องละส่วนหนึ่ง ความปรารถนาฐานะต่งตางๆในทางพระพุทธศาสนาแม้มรรคผลนิพพานก็ตามตราบใดที่ใจของบุคคลยังมีตัณหาอยู่ความอยากเหล่านั้นก็ยังเป็นตัณหาแต่ตัณหาในชั้นนี้ถือว่าเป็นตัณหาที่มีลักษณะเหมือนกับพ่วงแผ่หรือยานภานะที่บุคคลจะต้องอาศัยค้ามฟากเวลาอยู่ในยานภานะเพื่อจะข้าฟากบุคคลก็ต้องอิงต้องอาศัยยานภานะเหล่านั้นอยู่แต่เมื่อถึงฝั่งแล้วต้องการจะขึ้นฝั่ง ก็ต้องทิ้งยานภาณนะเมื่อไม่ทิ้งยานภาณะก็ขึ้นฝั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นระหว่างยานภาณะกับฝั่งจึงไม่อาจที่จะร่วมกันบุคคลจำเป็นจะต้องทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่อได้มาถึงสิ่งหนึ่งแต่ถ้าหากว่ายังยึดติดในภาณะที่อาศัยอยู่ก็ต้องอยู่ในที่นั้นเองเพราะว่าตัณหานั้นในส่วนที่เป็นรากลึกจริงๆเกิดจากสัสตติทิฐิ คือความมองเห็นว่าสภาวะทั้งหลายเป็นของเชี่ยงแท้แน่นอนความคิดเหล่านี้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าคล้ายๆกับเราจะไม่รู้ว่าเรามีอยู่แต่แท้ที่จริงสัจธรรมทิฐินั้นมีก็อยู่ทุกคนอย่างน้อยที่สุดมีความรู้สึกว่าตัวเรายัางไม่ตายหรอกอยังหาความสุขอีกอยู่อีกได้นานทีเดียวบางครั้งจนถึงหลงว่าตัวเองจะอยู่คำฟ้าเป็นรุน เพราะฉะนั้นจะพบว่าคนใหญ่คนโตบางคนเมื่อเป็นขึ้นมาแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าโลกนี้ประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้หรือศาสนานี้จะขาดเราไม่ได้ถาาว่าเราตายไปาศาสนาก็คงจะพินาศเดี๋ยวคงจะล่มจมชาติบ้านเมืองคงจะอยู่ไม่ได้จนถึงก็หลงไปว่าชาติคือเราเราคือชาติประเทศคือเราเราคือประเทศาศาสนาคือเราเราคือศาสนาเป็นต้นนี่หมายถึงอะไรตัวการจริงๆก็คือสัสธทิฏฐิ เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนแล้วมากําหนดอยู่ที่ตัวเองนั่นแหละว่าตัวเองนี่คือภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้และตนเองก็ไม่ปรารถนาความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจิตยังยึงยดติดอยู่ในทิฏฐิลักษณะนี้ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภาวะตัณหาได้แม้จะสวดวัชราธ ร, รมมหิชรังนะติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้เป็นต้นข้อตา่าง แต่ว่าโดยส่วนลึกของใจแล้วจะไม่ยอมรับความจริงเหล่านั้นพอประสบกับความเปลี่ยนแปลงเข้าก็จะเกิดโทมนัสเกิดความเดือดร้อนใจเกิดความปัดกลุ่มจนถึงกับบางครั้งบางราวทําอันตรายแก่ตัวเองก็มีตัวเพราะว่าตันหานี้บางครั้งก็หมุนกลับเข้าไปเพราะเชื้ออวิชาแม้การมาตานหาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอย่าลืมว่ากิเลสนั้นอิงอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อกระทบในส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ละส่วนจะได้รับการเพิ่มเชื้อขึ้นมากามาตัญหาก็ดีเพราะว่าตัญหาก็ดีที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจซึ่งอาศัยสัจตรทิฐินั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นตัววิชาคือความเข้าความเข้าที่ไม่รู้ความจริงอย่างแท้จริงว่าไม่มีสภาวะอันใดที่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่เลยในโลกนี้มันเป็นเพียงกระบวนการของธรรมะที่ไหลสืบเนื่องกันมาเท่านั้นความเที่ยงแม้แต่ขณะหนึ่งก็มีไม่ได้เลยซ้ำไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเที่ยงของจิตใจจะมีการเปลี่ยนแปลงแปรแปรวนอยู่ตลอดเวลาแม้ร่างกายเราก็เห็นกันอยู่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยไปแต่ถ้าหากว่าใจไม่สามารถสํารอกความเห็นที่ออกมาในรูปของภาวะตันหาที่มีเชื้อมาจากสตติธิติได้แล้วความสําคัญมั่นหมายในลักษณะจังกล่าวก็ยังเบับงเกิดขึ้นอยู่ร่ำไปอาการไขว้คว้าของจิตก็จะไม่สงบลงจะมีการไขว้คว้ากันเรื่อยไป เพราะฉะนั้นในชั้นหนึ่งเนี่ยท่านจึงสอนให้พยายามควบคุมเอาไว้อย่าให้ถึงกับอยู่ในฐานะที่เรียกว่าตันหานดาวโสคืออย่าเป็นทาสของตันหาแต่ให้เป็นนายของตันหาต้องการอยากได้ในอารมณ์ต่งตางๆก็จริงแต่ควบคุมทิศทางของความอยากได้เอาไว้อย่างน้อยที่สุดก็ให้อยู่ในคันลองของธรรมะการได้วัตถุต่างๆมาสนองต่อความต้องการของตนให้ได้มาด้วยธรรมะไม่มีการเบียดเบียนไม่ประทุษร้ายบุคคลอืน่น ฐานะความเป็นต่างๆก็เหมือนกันก็ให้เป็นที่ประกอบด้วยธรรมะนี้ชื่อว่าเป็นนายของตันหาซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องแปลกมากแท้ที่จริงแล้วตันหานั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่านามธรรมไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนแต่กลายเป็นพลังอันมหาศาลที่จะบังคับจิตของบุคคลให้สายไปให้ถูกกระซิบกระซาบให้เร่าร้อนให้กระวนกระวายไปด้วยแรงของตัหานั้น การปฏิบัติในชั้นหนึ่งจึงสอนให้บรรเทากระแสะแห่งตัณหาเอาไว้ด้วยสติอย่างที่ทรงสแสดงแก่มนุย์คนหนึ่งเรียกว่าชิตมนย์ซึ่งกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอะไรจะเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกัน้นความอยากเอาไว้รับสั่งว่าสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นความอยากเอาไว้แต่ตัวความอยากนั้นจะละได้จริงๆก็ต้องละได้ด้วยปัญญา ซึ่งอาศัยการประพฤติปฏิบัติที่ผ่านขั้นตอนมาดังกล่าวตัววิภวะตัณหาอาการที่ปรากฏภายในจิตมีลักษณะเช่นเดียวกันไอ้คำว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นนั่นแท้ที่จริงก็คืออยากเป็นอย่างอื่นไม่อยากเป็นอย่างที่ตัวเป็นอยู่เท่านั้นเองเช่นว่าสมมติว่าเป็นอะไรอยู่ในชั้นแรกตัวอย่างเช่นว่าเป็นข้าราชการต้องการจะได้ซีอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา พอได้เป็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาวะตันหามีความรู้สึกว่าเราเป็นสีนั้นสีนี้พอเป็นนานข้าวมันอยากจะเปลี่ยนสีทีอีกแล้วก็ออกมาเป็นรูปวิภวะตันหาถ้าไม่ได้ก็รู้สึกเหนื่อยนายฐานะของสีเหล่านั้นต้องการก็เปลี่ยนแปลงไปได้ไปดังนั้นตันหาทั้งสามประการจึงเกิดในอารมณ์เดียวกันได้แต่ตัวเหตุปัจจัยให้เกิดแตกต่างกันออกไปวิภวะตันหานั้นตัวรากที่เป็นส่วนลึกจริงๆมันเกิดมาจากอุเฉตทิฏฐิ คือถือว่าสิ่งทั้งหลายนั้นขาดศูนย์จนถึงกับปฏิเสธบุญบาปไม่มีมารดาบิดาไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีมมมมมเป็นต้นนี้เรียกว่าส่วนหยาบที่สุดแต่วันในขณะเดียวกันก็ออกมาในรูปของต้องการให้สิ่งทั้งหลายที่ตัวไม่ปรารถนานั้นขาดศูนย์ไปซึ่งความต้องการในลักษณะนี้มันก็ขัดแย้งกับหลักที่เป็นสัจธรรมในทางพระพุทธศาสนาเพราะเมื่อมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยแห่งกระบวนการเหล่านั้นยังมีอยู่มันจะขาดศูนย์ไปไม่ได้แต่ถ้าหากว่าทําลายสาเหตุแห่งกระบวนการเหล่านั้นออกไปกระบวนการเหล่านั้นก็พังทลายลงเช่นความเป็นบ้านเป็นเรือนหรือเป็นคนเป็นสัตว์ดังที่เคยกล่าวมาแล้วถ้าหากว่าไม่สร้างเหตุปัจจัยขึ้นความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นบ้านเป็นเรือนก็มีไม่ได้ตัวอุเฉตทิฐิที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นถ้าหากว่าปล่อยไปในรูปของอุเฉตทิฐิจริงๆ ก็มีลักษณะรุนแรงจนถึงกับปฏิเสธทั้งกรรมและสังสารวัฏอันเป็นวาทะที่ขัดแย้งกับวาทะของพระอรหันต์ผู้ศัต ร, รูดีศัต ร, รูชอบด้วยพรุ่งเองมีพระธัรมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเป็นต้นและวาทะของพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกวิภวะตัณหาที่บางเกิดขึ้นนั้นจะพบว่าบางครั้งบางคราวคนอาจจะไปยอมรับฐานะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ว่าท่านผู้นี้ท่านดีท่านไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นไม่ต้องการเป็นอย่างนี้เช่นว่าบวชเป็นพระแล้วอยู่ในวัยที่ควรจะทำงานแก่พระศาสนาช่วยเป็นสมภารเจ้าวัดช่วยรับภาะระศาสนาในหน้าที่ต่างๆแสดงออกมาว่าอาตมาไม่ต้องการไม่ต้องการจะเป็นในฐานะนั้นเป็นต้นซึ่งเราฟังดูแลว้วคล้ายๆกับว่าท่านจะไม่มีกิเลสแท้ที่จริงท่านไม่มีภาวะตัณหา ไม่มีการมาตัญหาแต่ท่านมีวิภาวะตัญหาเพราะฉะนั้นฐานะของกิเลสก็คือตัญหาเท่ากันสมคัญว่าในบางครั้งบางโอกาสตัวภาวะตัญหาที่บังเกิดขึ้นและเราคุมเขาได้นั้นเราสามารถทำประโยชน์ในชั้นโลกิยะและเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัมปรายภพได้มากมายตัญหาทั้งสามประการนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ในฐานะที่เป็นปหาตปธรรม คือธรรมะที่บุคคลพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อสํารวมระวังเพื่อบันเทาเพื่อดับตัณหาลงไปได้แต่ในชั้นของการดรํารงชีวิตปัจจุบันการจะละตัณหาไปเลยนั้นถ้าหากว่าทําได้ก็เป็นการดีไปแต่ในกรณีที่ทําไม่ได้บุคคลอาจจะใช้สติคือตัวรลึกสัมปชัญญะเป็นตัวรู้หรือความระลึกรู้กําหนดพิจารณาแยกแยะอารมณ์ทั้งหลาย อารมณ์อันใดที่เป็นตัวกระตุ้นสนองตอบตัญหาที่บังเกิดขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดก็พยายามปิดกั้นกระแสแห่งตัญหาเหล่านั้นเอาไว้เมื่อบุคคลสามารถพยายามปฏิบัติสํารวมปฏิบัตบิตรบรรเทาปฏิบัติเพื่อระวังและปฏิบัติเพื่อละตัญหาลงไปได้แม้อยู่ในจุดของการสามารถควบคุมตัญหาได้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเพื่อละตัญหาก็จะปรากฏแก่บุคคลผู้นั้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติ ต่อจตนี้ไปขาให้ตั้งใจทำควาสมสงบสืบ ต, ต่อไป